เดิมตอนที่แล้วเมื่อข้ามฝั่งแม่น้ำอนนมาก็บรรพชาหรือเสด็จมหาพิเนศกรุมโดยใช้ประขันตับพระเกศสามเมาลีและเปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นผ้ากาศส า, สามพื้นหรือไตรจิวัและรับสาให้ในชนะจุ้งม้ากันทาาักกับพระนครแต่กันทกก์หัวใจแตกสลายสิ้นใจตายที่มฝั่งน้ำอนนมาเจ้าชายํารงเพศเป็นนักบวชนาว่าสมณพุธ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 ดูกนเทพอวบสรทั้งหลายท่านเห็นป ร, ริพาชกที่มีลักษณะแห่งมหาบุตซึ่งนั่งบันเพนชานนักโขนไม้สาร้านั้นหรือไม่นักบวชผู้นั้นดูสำรวมกายเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาข้าแต่ท่านเทเพเบรดาทั้งหลายชายผู้นั้นไม่ได้เป็นแค่ปริพาชกทั่วไปแต่เขาคือสมณะโคดมนสักยบุตร ที่พึ่งบรรพชามเมื่อคืนนี้เราจึงมาที่นี่เพราะหวังว่าจะได้บริจาคทานด้วยการตักบัตรพัตตาหารแด่ท่านอย่างไรล่ะพัตตาหารทิพย์ที่เกิดจากการเนรมิตข้าพเจ้าคิดว่าไม่น่าจะเป็นกุศลที่ให้ผลบุญมากเท่าไรหร่สู้พัตตาหารที่เป็นของจริงไม่ได้หรอกนะอักษรเทวีในป่าแห่งนี้ก็คงมีแต่ผลไม้เท่านั้นที่จะเป็นพัตตาหารถวายให้ท่านสมณะโคดมฉัน อ, อยาอตมาตั้งใจจะเป็นผิดผูกผู้พิ้ขาใจาแต่ในป่าแห่งนี้จะมีผู้บริจาคทานจากที่ใดและไม่คุ้นเคยกับการพิ้งขาจึงไม่รู้จะหาอาหารจากที่ไหนทั้งทั้งที่ทในป่ากต็มดวงไปด้วยผลไม้แต่อาตมะไม่รู้วิธีปีนป่ายหรือสอยลงมาเป็นอาหารได้ นิ ม, มนขอรับมิมนเจ้าค่ะมีเหล่านิชายแต่งกายคล้ายชาวบ้านป่าถือภานชนะใส่บรรดาผลไม้ยืนรออาตมาตามรายพาที่อาตมาจะเดินถึงตบาทผ่านไปอาตมายินดีจะให้ชนทั้งหลายได้เป็นผู้บริจาค่าในเช้าหนี้ เก็บโตัวอาหารของเราได้แล้วเกตสนีรัสมีเรากินได้เพียงแค่นี้เท่านั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยหิวนะพระชายาเสวยได้น้อยมาหลายเพลาจนหม่อมฉันสังเกตเห็นว่าพระวรากายสูบผอมไปมากเลยได้เหตุคะก็เรากินไม่ลงจริงๆนี่นาะจะทำยังไงได้เรารู้ดีนะว่าเราควรจะถนอมและบำรุงร่างกายของเราเพื่อราหุน แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงหม่อมฉันจะกราบมังคมทูลองค์เหนือหัวหรือพระม่เฮสีขอให้เปลี่ยนภักคยาอาหารที่รสเลิศหรือโอชากว่านี้หรือเปลี่ยนวิเศษหลวงใหม่ดีไหมพคะเรื่องเล็กน้อยอย่าไปรบกวนพระทัยของเสด็จพ่อเสด็จแม่เลยนะรัศมีแม่ครัวหรือวิเศษหลวงก็นับว่ามีฝีมือในการปรุงอาหารเพียงแต่เราเองที่มีอาการตื้นตันใจจนลิ้นไม่รับรู้รสใด นอกจากความขืนขงตรอมตรงใจเพราะระลึกถึงเสด็จพี่สิทธัตถะทุกเวลานาทีตามข่าวที่ได้รับมาเวลานี้เจ้าชายทรงมีพระนามว่าสมณโนนคดมและเพคะไม่ว่าจะทรงมีพระนามว่าอะไรนะเกษมีสําหรับเราแล้วก็ทรงเป็นพระสวามีเป็นเสด็จพี่ของเราพิมพาเสมอและจะทรงเป็นพระบิดาของราหุลเพียงองค์เดียวตลอดไป เ ร, เรื่องอะไรเรืออมิตาถึงได้เข้ามาหาพี่ด้วยท่าทางรีบร้อนอย่างนี้เสด็จพี่ทรงทราบเรื่องเกยของเราเจ้าชายศิษฐะแล้วใช่ไหมเพคะเราลือกันไปทั่วถึงขนาดนี้พี่จะไม่รู้ได้อย่างไรศิทษฐะทําสิ่งที่เจ้าชายหรือกษัตริย์ทั้งหลายไม่ได้ทำติดต่อกันมานับหลายพันปีนั่นคือการปลีกหนีจากลูกเมียและราชสมบัติละทิ้งความสุข ความสะดวกสบายเพื่อแสวงหาความวิเวกในป่าเหมือนดาบดและฤษีตามที่เล่าสืบกันมาพระเวสสันดรที่เป็นโคตแห่งสักยะก็เคยเสด็จออกไปบวชเป็นฤษีประทับที่บรรณาลราในกลางป่าไม่ใช่หรือเปคาเสด็จพี่แต่พระเวสสันดรก็ยังพาพระชายาคือมัสสีและโอรส ธ, ธิดาคือชาลีกันหาไปด้วยณนะอมิตา ถึงลำบากอย่างไรก็ยังพอได้เห็นหน้าเป็นคู่ปรึกษากันได้แต่สิทธัตถกทิ้งพิมพาและราหุลลูกหลานของหม่อมชั้นไปห่วงแต่พิมพาไม่รู้ว่าป่านี้จะอยู่ดีหรือร้ายจะสุขหรือทุกข์ใจสักเพียงไหนถ้าตอนนั้นเราไว้ใจเทวทัตยอมไม่พี่น้องครองกันอาจไม่ต้องเสียใจเหมือนในวันนี้ก็ได้นะอมิตา ว่าแต่เทวทัตกลับมาจากชายแดนที่ต้นน้ำโรฮินีหรือยังเนี่ยและถ้าเทวทัตรู้เรื่องนี้จะมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะขอวามเนพระเจ้าข้าเสด็จพ่อร้อยทงพระเจริญอ๋อกลับมาก็ดีแล้วเทวทัต พ่อกำลังนึกถึงอยู่พอดีเพอมอมฉันได้ข่าวที่สิทธาธานเนี่ออกจากเมืองไปบรรฑชาก็รีบกลับมาจากชายแดนเพื่อแจ้แก่พระเราชาวเทวทัตทุกคนว่าอย่ตกหลุมพรามและเล่ห์เพตุสมัยของสิทธัธานพระเจ้าข่าเจ้าคิดว่าเขาจะมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรมอมฉันไม่ใช่แบบคนธรรมดาที่ไหนที่ยอมทิ้งยศถาบรรดาัทรัพย์สมบัติลูกเมียและความสะดสบายไปหากวามระบาดได้แล้วจ แต่ถ้าเป็นการทิ้งไปเพื่อแสวงหาการค้นพบอันยิ่งใหญ่เหมือนอย่างที่มีการพยากรณ์ทานายไว้ละ่ะเทวทัตถราคำพยากรณ์นั้นเป็นจริงสิ่งที่ศิทธรรประสงค์ผมจะเป็นตำแหน่งจักรพรรดิริราชหรือราชาหหือราชาสมวลสำมาญ ก, กว่าปัจจุบันการออกพระชาอาเป็นการตกตาให้เสร็จพอ่อและราชาเมืองอื่นลกแพรนอืนอนอนอนวางพระทย อ, อาจไปผู้เสื่อมความเป็นไัผู้ตรุษและหาผลวินมากกว่าจุเจ้าหมายความว่าสิทธัตถะอาจจะคิดการใหญ่หรือเทวทัตประ จ, จุแล้วนี่สิทธัตถะออกจากกรุงก บ, บิลพัทแล้วมุ่งหน้าไปทางไหนก็จุไปทางนครเวสารีแคว้นมัลละและแคว้นมคตแคว้นใหญ่ๆมีอำนาจ และกำลังมากมายเอาสิทธาร่วเมื่อกบแฟนเหล่านี้ได้จะเพิ่มคิ้วเล็บจะติดเปลี่ยนแกใ่ใครลุงเทวธาพาระประสิทธิาคำบอแม้แต่เส็จก้อนหรือหม่อมชันก็ต้องยอกอนยกบาทของเขาก็จะลุมสุดโททนาไว้เหนือหัวแบบนี้จะทรงยอมลดตัวเป็นข้าเขาโดยง่ายหรือพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อ จะบำเพ็ญเพียรต่อไปในป่านี้และตัดสินใจปลีกวิเวกหล็กหนีจากผู้คนที่แม้จะเป็นชาวบ้านป่าขึ้นมาบนภูเขาแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อพบว่ามีบรรดาโยคีอยู่มากมายหลายตนที่นี่แต่โชคเดีที่ไม่ค่อยมีใครสนใจใครมากนักต่างตนต่างบำเพ็ญภาวนาไปตามความเชื่อถึงแห่งตน โดยคิดว่าน่าจะหลุดพ้นได้บางตนก็นั่งบำเพ็ญภาวนาบ้างก็ยืนขาเดียวเงยหน้ามองฟ้าบางตนก็ก้มหัวมุดหน้าลงไปในดินไม่พูดจากับพริบดูนันสิบพวกเรามีปริภาชกหนุ่ม ที่เพิ่งบวดใหม่กำลังตรงมาทางนี้ถ้าทางสงบหน้าเลื่อมใสหน้าตามีสง่าราศีดีนี่ข้าจะไปตายถามว่าเป็นศิษย์ในลทัทธิอาจารย์ใดถ้าไม่คิดจะไปที่ไหนก็จะชวนให้พักด้วยกันที่นี่อืก็ดีนะซี่ถ้ารู้แจ้งขึ้นมาจะได้เป็นศาสดาของพวกเราสักทีรีบไปสิท่านปริพาชคผู้นั้นจะเดินเลยไปแล้วเห็นไหม ดูกรปริพาชกท่านมาจากทางไหนและจะไปที่ใดใครเป็นอาจารย์ของท่านท่านเชื่อในลทัทธิอาจารย์ใดอาตามะมาจากกรุงกบินรพัส์เพิ่งจะบวชใหม่ไม่มีลทัทธิและอาจารย์จึงขนานนามตนเองว่าสมณะโคดงที่มาที่แห่งนี้เพราะเห็นว่ามีความวิเวกดีน่าจะเป็นฐานที่ทำความเพียรได้ที่นี่ไม่มีใครข้องเกี่ยวกับใคร ถ้าท่านไม่ทําความเดือดร้อนให้เราก็ยินดีต้อนรับท่านแต่บนเขาไม่ค่อยมีผู้ทําทานโยคีทั้งหลายจึงดํารงชีพโดยอาหารเท่าที่พอจะหาได้บางตนก็กินแต่หน่อไม้บางก็กินผลไม้ป่าลวกเปลือกไม้เท่านั้นบางก็กินน้ําพึ่งป่าหรือใบไม้ใบหญ้าไม่แย่งอาหารไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อาจตมะก็ประสงค์เช่นนั้นงั้นก็เชิญท่านตามสบายมีถ้ำอยู่มากมายให้บังแดดหลบฝนท่านเลือกอยู่ได้อาจตมะจะบำเพ็ญในบริเวณโคนไม้และไม่คิดจะรบกวนท่านทั้งหลายข้าก็ไม่รบกวนหรือทำความวุ่นวายกับท่านละ่ะสมณาโคดม ปริพาชกฮะไม่ใช่สิสมณะโคดมผู้นี้มาบำเพ็ญเพียรที่นี่กว่าหลายราตรีแล้วนะดูสงบงเงเ่อมเรียบร้อยน่าเลื่อมใสไม่ข้องเกี่ยวกับความวุ่นวายกับผู้ใดทำอย่างไรพวกเราจะรู้ว่าเขาพบกับสิ่งที่แสวงหาคือความหลุดพ้นหรือไม่ข้าจะได้กราบไหว้ ยกให้เป็นอาจารย์สถทีวันนี้เขาลืมตาออกจากฌานพอดีข้าจะลองไปถามดูให้พวกท่านมีกิจอันใดกับอาตามาหรือโยคีพวกข้าเห็นท่านบำเพ็ญเพียรอย่างคร่ำเคร่งและตั้งใจจึงรู้สึกเลื่อมใสและศรัท ธ, ธา ข้าจึงอยากจะถามท่านว่าท่านรู้แจ้งในสิ่งใดท่านหลุดพ้นแล้วหรือไม่อาตามะยังไม่รู้ในคำตอบที่สงสัยยังไม่เห็นสิ่งที่เป็นไปยังไม่หลุดพ้นจากกรรมทั้งหลายงั้นก็ยังเป็นศาสดาเรืออาจารย์ของพวกข้าไม่ได้นะสิเฮ้ยพวกเรารอคอยมาเสียเวลาเปล่าๆเลยนะนี่ การแสวงหาความหลุดพ้นไม่ใช่เรื่องง่ายอาัตามาคงต้องใช้หลายวิธีในการค้นหาเวลาเป็นของเราไม่มีการลงทุนจึงไม่มีศูนเปล่าหรอกท่านโยคียทั้งหลายสมณะโคโดมท่านลุกขึ้นคล้องผ้ากระชับมันออกจากโคนไม้จะไปแห่งใดหรือท่านอาตมะจะจาเล็กไปยังสถานที่ใหม่แสวงหาความรู้ด้วยหนทางใหม่ พวกท่านบอกได้ไหมว่าถ้าตรงไปทางนี้จะไปสู่สถานที่ใดท่านเดินตรงไปจะเป็นทางสู่กรุงราชฤท์แคว้นมคตมีผู้คนมากมายและอาจารย์เจ้าลทัทธิหลายสำนักอาจชี้ทางให้ท่านรู้แจ้งได้ขอให้ท่านมีโชคชัยสำเร็จในสิ่งที่แสวงหาสมณะโคดมและนำความรู้มาสู่พวกข้าทั้งหลายในที่นี้ ข้างหน้ามีชนชาวเมืองมากมายทั้งชายคงเป็นกรุงราชคลึกแห่งแคว้นมางคนตามที่พวกโยคีว่าอาตมาจะเดินถือบาตรเพื่อพิกขาใจซึ่งอาหารไม่ยังชีพรพวกเรารูนั่นสิมีนักวัดหนุ่มที่งามสง่าปานประหนึ่งเทพพยาดาจำแรงแปลงมา กำลังตรงมาทางนี้แล้วบางทีอาจจะเป็นพระอินท์หรือวระผมก็เป็นได้แต่ถ้าไม่ใช่และเป็นมนุษย์ธรรมดาเขาก็เป็นที่น่าสนิทเสนหาจริงๆนะถ้าจะเข้าไปชิดใกล้และลองชายตาให้เผื่อจะเป็นที่สนใจของเขาเจ้านี่มันคนบาปจริงๆหยุดความคิดอัรปปล่ที่เหมือนผีสิงเดี๋ยวนี้ขาว่าเราเข้าไปตักบาตรด้วยอาหาร เพือเป็นทานแกเขาดีกว่าถึงข้าวสิถ้าจะนำอาหารรส ด, ดีฝีมือข้าใส่บาทให้เขาก็ได้เผื่อเขากินแล้วจะติดใจมัมวแต่คิดปริ อ, อุไรอยู่ได้ยินนะนี่มรทางนี้เจ้าค้าให้พวกเรามีโอกาสตักบาตรให้ท่านเถิดขอรับท่านนักบวชามีนามว่าอะไรเจ้าคะอาตามามีสมญาว่าสามณคดม หมอกับเจ้าหรอกเอใช่ใช่ใช่ใช่ใชบาทเรื่องพระเจริญพระเจ้าค่ะ มีเหตุอันใดหรือทหารจึงได้พากันมาหาเราด้วยอาการลนล้านเช่นนี้นะถ้ากับพวกเจ้าได้สเสด็จพี่พิมพิสารมีรับสั่งให้พวกเจ้าคอยสืบความเป็นไปภายในกูรราชครึกของเราหรือว่าจะพบเห็นสิ่งใดใช่แล้วว่าเจ้าขับพะมเหสีเมื่อครูนี้มีโยคีหนุ่มตนหนึง่งเข้ามาในเมืองเที่ยวเดินพี่ขาซึ่งอาหารชาวเมืองต่างพากันตักบาตรกันวุ่นวาย ก็แขยโคีโคตนหนึ่งเท่านั้นมันจะตื่นเต้นตรงไหนกันเนี่ยขอเดชะเพราะโยคยีเหมือนไม่ใช่มนุษย์ธรรมดารูปกายงามสง่ามีราศียามก้าวย่างเหมือนอย่างพญาคชสารเจ้าแห่งหัทถีเสียงกล้องบรรลือคือเสียงพญาราชสีชวนให้น่าชงนเหมือนไม่ใช่ปุถุชนคนธรรมดาพระเจ้าข่าไม่ใช่คนธรรมดาหรือจะเป็นจารชน พร้อมตอนมาสืบความเป็นไปในเมืองเราเพค ะ, สะเสด็จพีอ่อาจเป็นดังที่น้องเวเทหิเทวีคาดการก็เป็นได้แต่เราไม่ควรวู่วามไปเดี๋ยวจะเสียการใหญ่เจ้าทั้งสองจงสะกดรอยโยคีตนนั้นไปเพื่อดูว่าเมื่อออกนอกเมืองแล้วโยคีตนนั้นไปไหนหากล่องหนหายตัวไปก็อาจเป็นเทพพยายดาแม้พบปะผู้คนที่ปรึกษา ก็อาจเป็นจรชนได้แต่ถ้านั่งฉันอาหารที่ขอมาก็เป็นเพียงคนธรรมดาเมื่อเห็นแล้วให้รีบกลับมารายงานข้ารับด้วยกาพระเจ้าค่ะเราจะมีปัญหากับใครหรือไม่เพคะเสด็จพี่หม่อมฉันรู้สึกไม่สบายใจซะแล้วสิเพคะอย่ากังวลไปเลยเวเทหิเทวีพี่พิมพิสาร มิใช่ตะเกียงลานที่ปราศจากน้ำมันแม้ไม่ถึงขั้นนิยมการรบพุ่งทำศึกกับใครแต่ก็ไม่ยอมไม่ใครรลังแกรหรือรุกรานได้โดยง่ายขอให้สบายใจเถิดน้องหญิงน้องหญิงกำลังมีคนันพี่ยิ่งต้องคอยป้องกันภัย ว่าหายไปนไหนที่แท้นักบวชคนนั้นของมานั่งเตรียมกินอาหารอยู่นั่นเราเข้าไปหากันเลยดีไหมเพื่อจะสืบความหรือสอบถามข้อมูลอะไรได้อย่าเพิ่งเข้าไปคันจังหวะเลยดีกว่าเพราะข้ากําลังสงสัยเจ้าสงสัยอันใดหรือสหายนักบวชนั่งผิวพรรณดีแสดงว่าเคยอยู่กินในที่สะดวกสบายแต่อาหารที่ชาวเมืองใส่มาในบาทมีหลากหลาย อาหารชั้นต่ำของคนธรรมดาหรือกรรมกรก็มีแล้วยังผสมปนเปกันมาในบาดอย่างนี้จะกินลงได้ยังไงพอเจ้าพูดขาก็รู้สึกข้องใจงั้นเราคอยดูไปกันดีกว่าว่าจะมีใครเอาอาหารใหม่มาให้นักบวชผู้นี้หรือไม่หรือจะต้องทนกินอาหารต่ำๆในบาดของเขาเข้าไปเราจะได้รู้กันในเวลาอันใกล้นี้ นายนำผู้แสดงสัจพจนศรีหมเมธีปันทรัตพนเกียรติบุรโชน ส, นสันศีศริยาพรวรการเจริญดีเปรมกรมลโชติกาสเสถียนธานิดศรีสินรัตนเกณฑ์ น, นิศเรืองศรีสุพิศราพัฒเจริญพิทยารักสุทธิพัฒอ่อนปรางจรุพัฒเสวตรรัตโชติกาเสเวตรรัตอ่อนวีนาเจริญพิทยารักนัทธพงศ์วัฒ น, นบุญญาบันทึกเสียงวรการเจริญดีกำกับการแสดง สัจพุธศีหเมธีอํานวยการผล